ปัญญามาก่อนศีล ส, สมาธิการรักษาศีลปัญญาต้องมาก่อนแต่เราพูดว่ารักษาศีลก่อนตั้งศีลก่อนศีลจะสมบูรณ์อย่างไรนั้นจะต้องมีปัญญาต้องคนคิดกายของเราวาจาของเราพิจารณาเหตุผลนี่ตัวปัญญาทั้งนั้นก่อนที่จะตั้งศีลขึ้นได้ ต้องอาศัยปัญญาเมื่อพูดตามปริยัติก็ว่าศีลสมาธิปัญญาอาตมาพิจารณาแล้วการปฏิบัตินี้ต้องปัญญามาก่อนมารู้เรื่องกายวาจาว่าโทษของมันเกิดขึ้นมาอย่างไรปัญญานี้ต้องพิจารณาหาเหตุผลควบคุมกายวาจาจึงจะบริสุทธิ์ได้ ถ้ารู้จักอาการของกายวาจาที่สุจริตทุจริตแล้วก็เห็นที่ปฏิบัติถ้าเห็นที่จะปฏิบัติแล้วก็ละสิ่งที่ชั่วประพฤติสิ่งที่ดีละสิ่งที่ผิดประพฤติสิ่งที่ถูกเป็นศีลถ้ามันละผิดให้ถูกแล้วใจก็แน่วแน่เข้าไปอาการที่ใจแน่วแน่มั่นคงมิได้ลังเลสงสัยในกายวาจาของเรานี้เป็นสมาธิ ความตั้งใจมั่นแล้วเมื่อตั้งใจมั่นแล้วรูปเกิดขึ้นมาเสียงเกิดขึ้นมาพิจารณาเมันแล้วนี่เป็นกำลังตอนที่สองเมื่อรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือรูปเสียงกลิ่นรสพุทธภพธรรมรมเกิดขึ้นมาบ่อยๆได้พิจารณาบ่อยๆด้วยอาการที่เราตั้งใจมิได้เผลอ จึงรู้อาการของสิ่งเหล่านี้มันเกิดตามความเป็นจริงของมันเมื่อรู้เรื่อยๆไปก็เกิดปัญญาเมื่อรู้ตามความเป็นจริงตามสภาวะของมันสัญญาจะหลุดเลยกลายเป็นตัวปัญญาจึงเป็นศีลสมาธิปัญญาคงรวมเป็นอันเดียวกันถ้าปัญญากล้าขึ้นก็อบรมสมาธิให้มันขึ้นไป เมื่อสมาธิมั่นขึ้นไปศีลก็มั่นก็สมบูรณ์ยิ่งขึ้นเมื่อศีลสมบูรณ์ขึ้นสมาธิก็กล้าขึ้นอีกเมื่อสมาธิกล้าขึ้นปัญญาก็กล้ายิ่งขึ้นสามอย่างนี้เป็นไวโพจน์ซึ่งกันและกันสมกับพระศัสดาตรัสว่ามัคเป็นหนทางเมื่อสามอย่างนี้กล้าขึ้นมาเป็นมัค ศีลก็ยิ่งสมาธิก็ยิ่งปัญญาก็ยิ่งมรคนี้จะฆ่ากิเลสโลภเกิดขึ้นโกรธเกิดขึ้นหลงเกิดขึ้นมีมร์เท่านั้นที่จะเป็นผู้ฆ่าได้